ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตามลำดับถึงอรหันต์ขีตาคิริสูตรโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18สิงหาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัด น, นี้ค่ะ มาอ่านให้พวกเราฟังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13กีตาคิริสูตรข้อที่238ลองฟังดูนะอันนี้ตัดตอนมาสั้นๆผู้พุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ท่านตัดว่าเราย่อมกล่าว การตั้งอยู่ในอรหัตผลไม่ใช่ด้วยการไปเพียงครั้งแรกเท่านั้นแต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลําดับด้วยการทําโดยลําดับด้วยการปฏิบัติโดยลําดับคือแล้วก็จะมีพูดต่อๆไปแต่จะมาพูดถึงตรงนี้ก่อน คือบางทีเนี่ยหลายครั้งที่เราอะไรอ่ะได้ยินอาจจะเป็นพวกเส้นมั่งเป็นอ ะ, อะไรอ่ะของศาสน า, าพุทธอย่แหละแต่อาจจะเป็นลัทธิอื่นๆหรือนิกายอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่คือปรากฏว่าจะมีพูดถึงการบรรลุธรรมอย่างนี้ฉับพลันนะพวกเราอาจจะได้ยินว่าเนี่ยบรรลุธรรมโดยฉับพลันเลยแต่อันนี้พระอาจารย์ท่านยืนยันว่า การที่ใครจะเป็นพระอาหารหันต์ได้ไม่มีว่าฉับพลันแบบนั้นไม่มีจะต้องมีการปฏิบัติมาโดยลําดับท่านใช้คํานี้เลยนะจะต้องต้องศึกษาก่อนศึกษาโดยลําดับแล้วก็กระทําลงมือกระทำเนี่ยเป็นลําดับมาจนกระทั่งเนี่ยการกระทําการปฏิบัติเป็นลําดับมาเนี่ยถึงจะไปบรรลุได้ เพียงแต่ว่าบางทีเราฟังประวัติพระอารหันต์ที่ในปฐตปิฎกก็ตามนะจะมีกล่าวถึงว่าบางทีเอออย่างยกตัวอย่างพระพาหิยะทารุจริยะอย่างเงี้ยมาพบพระเจ้าเสร็จแล้วก็ขอให้พระเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟังเสร็จปับ๊บสักแต่ว่าได้เห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าอะไรพวกเนี้ย เสร็จแล้วพอท่านได้ฟังเสร็จท่านเอาไปพิจารณาเสร็จก็บรุลุหรือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็นึกว่าฮะฟังทำแค่แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ได้เลยเหรอซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นเป็นความยังไม่เข้าใจของของของคนที่ศึกษาธรรมะเพราะว่าถ้าศึกษาธรรมะมาเนี่ยจะต้องรู้ว่าไม่มี ใครบรรลุธรรมโดยที่ไม่ไปฝึกฝนมาก่อนซึ่งตามเนื้อหาจริงๆเนี่ยพระพาหิยะเนี่ยก็ไปฝึกฝนนะไปปฏิบัติมาเป็นลำดับเหมือนกันเจอกันทั้งเนี่ยตัวเองคิดว่าน่าจะบรรลุแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะบรรลุงานยังเหลือวิจิกิชฉาเหลือความลังเลเหลือความสงสัยเนี่ยอยู่ก็เลยต้องมาตามหาพระเจ้าหาเจอเสร็จแล้วก็เลยถาม พระเจ้าท่านก็นสอนให้ทั้งๆที่พระเจ้ากําลังเดินบินธบาติอยู่นะท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขอเลยขอร้องพระเจ้าว่าขอให้บอกตอนนี้เลยเดี๋ยวเนี้ยทั้งๆที่ทตอนแรกพระเจ้าห้ามไม่ได้ซ้ำบอกว่าเรากําลังบินธบาตอยู่แต่ในที่สุดก็พระเจ้าก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเออก็ไม่รู้ว่าคนเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําไป ปรากฏว่าพระภัยยะไปคิดไปพิจารณาฟังไปแล้วเนี่ยก็บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่ในขณะนั้นก็โดนวัวขวิดถึงแอ่ความตายผู้จาบินาบาตเดินกลับมาถึงมาเจอพอเจอเสร็จอา้าวตายซะและ้วเขาบอกวิสูจอื่นที่ร่วมไปบินาบาตด้วยบอกเอาช่วยกันหามเอาเอาไปเผา ก็ง่ายๆนะดูแล้วไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายไม่ยุ่งเหยิงยุ่งยากเหมือนทุกวันนี้แต่นี่ระดับพระอรหันต์ด้วยน ะ, ะวันจะให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรืออปวัติออบุคคลอื่นอีกที่บางทีฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมปั๊บปรากฏว่าโอ้โหมาลุได้เลยใครนะที่ฟังสองกันเนี่ยที่พัดบีให้ยศะหรือเปล่า ที่ที่ตอนแรกเนี่ยผู้เจ้าสอนไปทีนึงแล้วเสร็จแล้วก็ยังนะแต่ก็ไปไปเข้าใจไปอะไรต่ออะไรขนาดหนึ่งแล้วเสร็จแต่หลังพ่อพ่อมาอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึงนะ่งเ่ยแล้วก็มาได้คุยกับผู้เจ้าผู้เจ้าจันก็สอนให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งคราวนี้เลยบรรุเลยครั้งที่สองรู้ชัยยศหรือเปล่านะ ว่าจำไม่แม่นเอกสารนี่มันไอ้นั่นนี่นะอะไรหนอๆ น, น, นะที่นี่พูดไปหนอเหรอใช่ไหมเออนั่นแหละจำไม่ได้แล้วรูปไหนก็ไม่รู้แล้เยอะๆ แ, แ, แ, แยะแต่ก็จะให้เห็นได้ว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ฟังบัพปุลุแต่จริงๆผู้นั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติมาก่อนแล้ว เพราะนั้นไม่มีใครว่าเป็นปุถุชนสมมุติว่ากิเลสหนาอยู่ดีๆเนี่ยนะโอ้โหกินเหล้าเมายาติดไอ้น่นติดไอ้นี่เยอะแยะพอมาฟังธรรมปั๊บปิงบรรุเลยไม่มีป <c oughs> ระเภทอย่างนี้ไม่มีในโลกนอกจากว่าบางทีท่านปฏิบัติมาเยอะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าก็โดนเหมือนกับโดนยั่วย้อมโดนอะไรกบๆทาให้เมาๆทาให้หลงๆไป ชั่ระยะเวลาหนึ่งเสร็จแล้วพอมาฟังเทศฟังธรรมมาเข้าใจปั๊บนะไอ้พวกม่านหมอกไอ้พวกที่มันบดบังเนี่ยพูดง่ายว่าท่านปฏิบัติมาเยอะแล้วอะ่ะไอ้นี่มันแค่ม่านหมอกบังตาท่านั้นเองพอมีคนมาอะไรอะ่ะมาเขีย่ยไอ้ม่านหมอกพวกนี้ออกให้ปับ๊บท่านจะเข้าใจทันทีเลยท่านก็บรรลุได้ทันทีแต่จริงๆแล้วท่านต้องปฏิบัติมา เยอะแล้วก็ต้องปฏิบัติมานานแล้วเพอๆบางทีไม่ใช่แค่ชาตินี้ท่านปฏิบัติมาต้องไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะฉะนั้นคนที่จะมาระดับถึงเป็นพระอาหารหันต์ได้แม่ถ้าชาติเดียวนะโง ง, งๆเซ่อๆอยู่ดีๆเลนะเสร็จ <c oughs> แล้วก็โอ้โหงเทศบาลทำเสร็จแม่มันรู้ได้อย่างง่ายได้รวดเดียวโอ้อาตมาว่ามันก็แม่น่าพิศมัยมากเลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับ และพระสูตรนี้ผู้เจ้าก็ยืนยันเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าใครจะได้พระอาหารหันต์เนี่ยจะต้องศึกษามาโดยลําดับคือจะต้องเรียนรู้เลยนะเรียนรู้ปฏิบัติไปอย่างนี้เอ้กิเลสตัวนี้เป็นยังไงลดละแล้วแล้วกิเลสลดเนี่ยรู้สึกยังไงขึ้นหรือสู้กิเลสมายังไงคือจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษามาด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยโอ้โหสู้กันแล้วเป็นยังไงถึงพิกถึงขิงยังไงบ้าง ถ้าถ้าใครไม่ปฏิบัติมาไม่มีทางหรอกอยู่ดีพวดพลาดไปเป็นพระอาหารหันเลยไม่มีกิเลสเลยแทบไม่ต้องสู้เลยอย่างเงี้ยเอา้าเป็นไปได้ไงกิเลสหายไปเพราะแค่การฟังเหรอคุณว่ากิเลสหายเพราะการฟังเป็นไปได้ไหมสมมติคุณติดอะไรเนี่ยโอ้โหนะติดติดอะไรดีอ่ะหน้านี้อะไรหน้านี้มีอะไรบ้างทุเรียนอีกแล้ว ไม่ค่อยมีแล้วนี่หน้านี่เฮ้ยเอาบังคุดละ ม, มุดลํยาใย <c oughs> นะเนี่ยแหละเอาสมมุติว่าหน้านี้อะไรที่มันอร่อยแล้วเราก็ชอบกินเนี่ยคุณคิดดูสิคุณอร่อยมาอยู่ดีๆแล้วคุณจะโอ้โหสะสมมาตั้งบางทีตั้งตั้งนานนะ่ยนะกินมาติดมาตั้งนานอยู่ดีๆเสร็จมาฟังปั๊บโอ้โหเลิกได้เลยโดยที่พูดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นกิเลสจริงของคุณเนี่ยนะ มันมันไม่หลุดไปง่ายๆหรอกอ่าบางคนเนี่ยพอมาฟังธรรมปับ๊บโหรู้แล้วข้าใจล้วว่าว่ากิเลสตัวเนี้ยไม่ดีนะควรละควรลดควรเลิกขนาดรู้ๆนะแล้วคุณพยายามมาละมาเลิกกูยังเห็นไหมโอ้โหยากเข็ดยากเข็นลําเข็นเนหลือเกินกว่าจะเลิกได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นี่คือความจริงว่ามันเลิกยากนะถ้าเราไปติดอะไรมาเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยไม่ ไม่ปฏิบัติมาไม่ลดละมาแล้วพอฟังปับ๊บสลัดทิ้งได้เลยเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ท่านใช้คำว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ท่านใช้คำที่ว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้วันฐานะของผู้ที่จะเป็นไปได้ก็คือต้องปฏิบัติมาแล้วพวกพวกบอกว่าพอฟังปั๊บแล้วก็โอ้โหเข้าใจเลยสลัดรุ่นได้เลยนี่แสดงว่าจริงๆแล้วทาได้มาแล้วด้วซ้ำไป ทำได้มาแล้วเดี๋ยวซ้ำไปนะบางอย่างเนี่ยหรือทำจนจนจะได้อยู่แล้วมันติดขัดอะไรแค่แค่ไม่มากเท่านั้นเองพอพอพระเจ้าเนี่ยหรือว่าไปฟังธรรมที่ไหนเนี่ยแค่สกิดเขีย่ยผงออกจากตาเราเท่านั้นเองเราก็ตาสว่างจ้าเลยนะตัดสินรู้หรือว่ารู้แจ้งได้เลยทันทีแล้วก็มารู้ทำนะอันนี้อันนี้ พวกเราจะต้องศึกษาละจะต้องเข้าใจนะอย่าไปอะไรอ่ะหลงง่ายๆนะอย่างอย่างเอาง่ายๆของเสนเนี่ยเขาบรรลุธรรมฉับพลันไ ม, ไม่ไม่มีทางนะเป็นไปไม่ได้อันนั้นก็ก็มาจากพูดเหมือนกันนะเสน้นนี่มาจากพูดเหมือนกันแต่เขาบรรลุธรรมโดยฉับพลันตอนนี้พระเจ้าท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติโดยลําดับคือนะตอ น, นนี้ท่านเริ่มขยายแล้ว ดูนะาลำดับเป็นยังไงเนี่ยเนี ย, น ย, นยกําลังจะบอกอผู้จ้าท่านกําลังจะจัดให้พวกเราฟังว่าที่บอกว่าไม่มีทางอยู่ดีบรรลุทําได้เลยเนี่ยเป็นพระอาหารเลยไม่มีทางถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้ลำดับขั้นคืออย่างนี้ฟังดูคือกุลบุตรในธรรมวิไ น, นัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าใกล้นี่คือประการที่หนึ่งี่ตามลาดับน ะ, ะ, ะนะพ้ศรัทธาเป็นตัวนา ในอินทรีย์ห้าพระห้ามีอะไรบ้างใครจำได้ศรัท ธ, ธาวิยิยาสติสมาธิปัญญายังดีมีผู้จำได้อยู่ศรัท ธ, ธาจะมาก่อนในอินทรีย์ห้าก็ตามพระห้าก็ตามหรือบางมียังมีสูตร อ, อื่นๆอีกที่ศรัท ธ, ธานี่มาก่อนเลยศรัท ธ, ธาเป็นตัวนำศรัท ธ, ธาถ้าแปลเป็นภาษาไทย ทั่วๆไปก็เขาแปลว่าความเชื่อแต่พอท่านพอท่านมาแบ่งเป็น3าลําลำดับพ่อท่านมาแบ่งอีกเป็น3มลำดับว่าแม้แต่ศรัทธาที่เป็นตัวนำเนี่ยจะต้องมีอีก3มลำดับก็คือเชื่อถือเชื่อฟังเ ช, ชื่อมั่นเพราะนั้นศรัทธาเป็นตัวนำแล้วแต่ในในความที่เรามีศรัทธาเนี่ย มีความเชื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งนั้นนะนะคุณไปทําเนี่ยตอนให้คุณไปทําสิ่งนั้นแล้วคุณไม่เชื่อคุณทําทั้งที่คุณไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นจริงเนี่ยแล้วคุณก็ทําทําโดยที่ก็คิดอยู่เรื่อยก็ไม่ไม่จริงแล้วทำไปก็ไม่จริงแล้วถ้าทําไปแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เลิกทําเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบอกอยู่เรื่อยว่าไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็ทําไปโดยที่พูดง่ายสะกดจิตตัวเองแล้วแหละว่าว่าว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคําว่าเชื่อเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ในสิ่งที่เราจะทําอย่างเช่นเราจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าท่านกรัดว่าศีลจะทําให้มีความสุข นะศีลจะทำให้ร่ำรวยพวกกระซับศีลจะทำให้เนี่ยไปถึงนิพพานเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันจะจริงไหมแต่อย่างน้อ ย, นอยเนี่ยคุณจะลองมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมคุณต้องเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้จริงคือ <c ười> คุณต้องเชื่อลำลองไว้คุณอาจจะไม่ยังไม่เชื่อจริงนะแต่คุณน่าจะอย่างน้อยต้องเชื่อถือเชื่อถือว่าเออเราเชื่อว่าอย่างพระเยซเจ้าเนี่ย ท่านปฏิบัติได้แล้วคนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะก็เห็นเขาถือศีลแล้วเขาก็ทํากันได้อะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราควรจะมีตัวเชื่อถือตัวนี้ขึ้นมาลําลองขนาดหนึ่งเพราะถ้าเราไม่มีตัวเชื่อถือพวกนี้ขึ้นมาบ้างเลยเนี่ยอาตมาว่ายากนะยากที่จะมีความตั้งใจทํายากที่จะทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขในในสิ่งที่เราจะทําเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่ทำอะไรด้วยความเชื่อถือพอสมควร มันก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีบิติไม่ค่อยมีความสุขในการจะทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรให้ได้ดีเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะมีความยินดีถูกไหมมีความยินดีมีความพอใจที่จะทำในสิ่งนั้นมันถึงจะสำเร็จได้หรือพูดง่ายๆว่าจะทำอะไรมันน่าจะมีอิทธิบาทในสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่อยากจะทาทาไปก็มีแต่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ มันจะไปรอดได้ยังไงมันไม่มีทางไปรอดหรอกเพราะปะเด็นแรกเลยเนี่ยกว่าเราจะไปบรรลุทำได้ข้อที่หนึ่งผู้เจ้าเลยตัดว่าต้องมีศรัทธาเป็นตัวนําความเชื่อถือความเชื่อฟังหรือว่าความเชื่อมั่นจะต้องมีคนที่มานับถือศาสนาพุทธถ้าคุณเอาแต่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น แต่ใจจริงๆคุณไม่ไม่เชื่อถือเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะทำให้คนพ้นทุกข์ได้คุณไม่มีความเชื่อถือพวกนี้เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไม่ต้องประเทศอื่นนะเอาประเทศไทยเนี่ยแหละที่นับถือศาสนาพุทธนี่แหละถามพวกคุณเลยคุณลองตอบสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความศรัทธาในศาสนาพุทธขนาดไหน เชื่อถือเชื่อถือจริงๆริงไหมว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยจะทําให้เขาพ้นทุกข์ได้คุณว่าเขาเชื่อถือจริงไหมนี่อาตมายังไม่เอาถึงเชื่อมั่นนะเอาแค่เชื่อถือตัวแรกเท่านะถ้าเขาเชื่อถือจริงว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยนะพุทธเจ้าสอนมาอย่างเนี้ยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้รับรองเลยว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไม่ไป ิอบายมุกจะไม่ไปหลงงมงายในสยศาสตร์ในอะไรต่างๆนานาอิเลเคขาจะไม่ไปเลยจริงๆแต่ความเป็นจริงคือแค่ตัวที่หนึ่งเนี่ยชาวพุทธส่วนใหญ่ยังไม่มีความศรัทธาเลยในพุทธศาสนาของตัวเองจริงๆไม่ศรัทธาจริงเพราะคำสอนจะชัดอยู่แล้วเอาง่ายๆพระเจ้าสอนสินห้าแค่เนี้ยถ้าคุณศรัทธาจริงคุณเชื่อมั่นจริงว่าจะพาไปสู่ดีจริง ต้องมีศีลห้าสิพุทธศาสนิททุกคนเลยใช่ไหมต้องมีศีลห้าต้องเชื่อถือว่าจะพาไปให้พ้นทุกแต่ความเป็นจริงส่วนใหญ่ไม่ได้มีศีลห้าพูดง่ายนะทําไปตามจารีประเพณีไปวัดก็ไปวัดเวลาทําบุญใส่บาตรพระก็ไม่ได้นึกว่าเป็นการอะไรอะ่ะเสียสละทําบุญทําทานนะเพื่อที่จะ สร้างความสุขความจเจริญให้ให้กับการลดละกิเลส ข, ของตัวเองนะไม่คิดอย่างนี้หรอกบางทีอะทำบุญใสาบาตหวังอะไรอะหวังลาบยศสเสริญสุขอะไรที่เป็นแบบโลกโลกแบบอบายอะเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้เชื่อถือจริงแล้วเพราะถ้าเชื่อถือจริงทูเจ้าท่านบอกมันต้องลดพวกนี้ถูกไหมทรัพย์ที่จะได้มาก็ได้มาโดยโดยทํา จะไม่ได้ไปโด ย, โดยผิดศีลแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่จะได้ทรัพย์จะได้ลาภผลอะไรมานี่จะแบบเอาผิดศีลเท่านั้นเลยไม่ได้แบบว่าอยู่ในศีลส่วนใหญ่อคุณไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้แหละเป็นเรื่องมิสูน์ว่าไม่ได้ศรัทธาจริงวันในที่นี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาเนี่ยเี่ยเกิดศรัทธาละ่ะเพะฉันจะต้องมีตรงนี้จริงๆถ้าไม่มีจริงเนี่ย คุณไม่ต้องพูดถึงเชื่อฟังก็เพราะไม่ศรัทธาจริงนี่แหละไม่ไม่มีความเชื่อถือจริงนี่แหละถึงได้ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างนะสิงก็มีอะไรต่างๆนาะนาะโอ้โหเรียนม า, าจริยธรรมมั่งศิลธรรมบ้า ง, าางอะไรบ้างเรียนมาตั้งเยอะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าคุณศรัทธาจริงเนี่ยคุณจะเชื่อฟังจะปฏิบัติตามนั้น แต่พอไม่ศรัทธาจริงถึงได้ไม่เชื่อฟังไม่ได้ปฏิจจบัติตามที่พูะเจ้าท่านสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ายิ่งไม่เชื่อฟังแล้วไม่ต้องพูดถึงเชื่อมัน่นคำว่าเชื่อมั่นเนี่ยคือความชัดเจนชัดใจตัวเองว่าศาสนาพุทธนี่นะสามารถทำให้เราบรรลุธรรมได้จริงๆริเลตหมดได้จริงๆ แต่เมื่อไม่มีเชื่อถือไม่มีเชื่อฟังแล้วเชื่อมั่น ต, ตัวนี้ไม่มีทางละเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ย ท, ท่านบอกมาเลยว่าพอเกิดศรัทธาแล้วท่านบอกว่าเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยย่อมเข้าใกล้นี้เป็นตัวทีว่สองวันพอมีศรัทธามีความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นปั๊บ <tuning, S 1> <c oughs> จะเริ่มเข้าใกล้นี้นี้เป็นลำดับที่สองที่พระเจ้าบอกว่า บอกว่าเนี่ยถ้าใครมีมีความเชื่อถือเชื่อมั่นเชื่อฟังอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนคุณจะคุณจะเข้าใกล้คุณจะยิ่งมันไปในที่นั้นหรือว่ามันศึกษาในเรื่องนั้นใช่ไหมคือเข้าใกล้นั่นเองการเข้าใกล้เนี่ยจะตามมาจะไม่ห่างไกลนั่นเองแต่ทุกวันนี้โอ้โหห่างไกลเหลือเกินห่างไกลวัดห่างไกลการมาฟังเทศฟังธรรม ห่างไกลการที่จะปฏิบัติทำเพราะเนี่ยมันมันจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างเงี้ยเพราะถ้าใครเนี่ยสร้างศรัทธาได้สําเร็จตอนนี้พอเราสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมัน่นในตั้งเด็กเราจะเข้าใกล้อัตมาจําได้ว่าตอนแต่ก่อนเนี้ยนะอัตมาก็ว่าเออเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมก็ศึกษาทั้งอะไรอ่ะคงจือจ้อเหลาจื้อ ออของอิสลามเขานะาก็ศึกษาคัมภีร์เขาดูที่เป็นยังไงของคริสโอ้ของคริสยิ่งชอบใหญ่เลยแต่ก่อนอ่านคัมภีร์ของคริสโอ้ชอบมากเราอ่านก็จริงเราเรียน เ, เราเราอะไรอะศึกษาของเขาก็จริงแต่ไม่เคยคิดเลยนะที่จะไปปฏิบัติหรือไปโบสถ์เขาไปอะไรเงี้ยไม่เคยคิด รวมไปทั้งเรียนศิลธรรมของศาสนาพุทธก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าวัดจะต้องไปฟังเทศฟังธรรมไม่เคยคิดเพราะอะไรเนี่ยศรัท ธ, ธาไม่พอถ้าศรัท ธ, ธาพอปั๊บบอกแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอเริ่มเออได้พบโมกุมโโสได้พบพระอโศกที่ท่านปฏิบัติแล้วเอ๊ะมีตัวอย่างให้เห็นแฮเราเชื่อเชื่อมั่นละ ว, ว่าเอ๊อ เราเราฟังไอ้ธรรมะมานานเนี่ยนะเพราะว่ามีอยู่ในตนำรำาตำราในหนังสืออยู่แล้วเราเจอมานานแล้วแต่เรายังไม่เห็นคนทำได้จริงๆเนี่ยพอตอนนี้พอเห็นคนทำได้จริงๆเนี่ยเออชักชมีความเชื่อมั่นขึ้นมาขนาดหนึ่งแต่ไม่ได้เชื่อว่าว่าจะปฏิบัติอย่างนั้นแล้วบรรลุไปได้นะไม่ได้เชื่อถึงขนาดนั้นแต่เชื่อว่าเอ๊ะคนนี้นะเขาก็คนเราก็คน แล้วเขาถือศีลเนี่ยเขาบอกว่าถือได้เขาไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้กินมือเดียวก็ได้คือคือเราเห็นของจริงเลยอะเราเลยทําให้เอ๊ะนี่เขาก็ทําได้จริงๆรนะไม่ได้มาโกหกหลอกลวงอะไรเรานะแล้วก็ทํามาได้เป็นไม่ใช่คนเดียวทําได้ตั้งหลายคนแล้วก็ไม่ใช่ทาได้วันเดียวแต่ทําได้ตั้งโอ้โหเป็นหลายๆปีมาแล้วพอไปพบไปเห็นอย่างเงี้ยโอ้โหศรัทธายิ่งยิ่งเชื่อว่าว่าเป็นไปได้ แต่ว่าเราจะทําได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรามีความเชื่อมันม่นวออ่าคนทําได้จริงๆเนี่ยก็ยิ่งเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าว่าคนเราทําได้ไม่ใช่เป็นสิ่งเลิศเลอเลิศลอยหรือว่าไกลตัวจนเกินไปวันเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเขยิบเข้าใกล้แล้วเริ่มจะเขยิบเข้าใกล้ใจก็เริ่มเข้าใกล้ใจเริ่มใส่ใจแล้วก็เริ่มสนใจฟัง บางทีเนี่ยตอนนั้นยังไม่ปฏิบัติทำนะแต่ว่าเวลาบางทีพระอาศกเนี่ยพูดพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราอยู่ในที่นั้นด้วยเนี่ยเราได้ยินนี่เออเออชักชักงเงี่ยหูฟังละว่าวา่วาว่าไหนไนท่านจะพูดยังไงท่านจะตอบอยังไงแล้วท่านทํำยังไงมาบ้างคือคือมันชักใส่ใจเนี่ยหละเนี่ยการเข้าใกล้จะเกิดอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นพอศรัทธาปับ๊บนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเข้าใกล้ ตัวที่สามลำดับที่สามพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอเข้าใกล้แล้วคราวนี้นะท่านใช้คําว่านั่งใกล้นั่งใกล้ เ, ออกลเป็นตัวที่สี่บางคนเข้าใกล้แต่ไม่นั่งใกล้ ย, ยิ่งที่สายคนไทยเนี่ยเวลามาฟังเทศฟังธรรมนยก็อุตส่ามาวัดแล้วนะอุตส่ามาวัดแล้วนะแต่เวลานั่งฟังธรรมนี่อยู่หลังแถวสุดเลยแถวหลังสุดเลย แล้วนะไม่ยอมหรอกไอ้ที่จะเข้าใกล้เนี่ยยากจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆเนี่ยเรายังไม่ศรัทธาเต็มหรอกเมื่อเราไม่ศรัทธาเต็มเนี่ยนะคุณสังเกตไหมถ้าคุณยังไม่เชื่ออะไรดีพอเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเราดูดห่างๆหน่อยเราอย่าไปเข้าใกล้นะักใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกปกติธรรมดาเลยบางทีเนี่ยเราไปไอฟังฟังดูก่อนสิดูสิว่ามันเป็นยังไง นั่นแหละเนหมเนี่ยคือเข้าใกล้แต่ยังไม่นั่งใกล้ต่อเมื่อคนที่เข้าใกล้แล้วแล้วเริ่มพอฟังฟังไปฟังฟังไปเออเชักก็เหยียบเข้าไปเรื่อยชักก็เหยีบเข้าไปเรื่อยอ่าคราวนี้แหละเรียกว่านั่งใกล้แล้วแสดงให้เห็นว่าสภาวะจิตใจเชื่อถือเริ่มมากขึ้นความเชื่อถืออ่ามันมีเพิ่มมากขึ้นหรือความเชื่อมั่นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงจะจากเข้าใกล้แล้วถึงจะไปนั่งใกล้ นั่งไกลไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องจับเขาคุยเลยนะคงไม่ถึงขนาดนนแต่อย่างน้อยเนียเน่ยมันจะยิ่งให้เห็นถึงความกระตือรือร้นถึงความขวนขวายนะจากบางทีแม่ค่อยมาวัดมาวัดบ่อยขึ้นจากบางทีเนี่ยพอมาวัดเสร็จไซบาเสร็จกลับมาแล้วนะมาแล้วนะแต่ไซบาเสร็จกลับบางคนก็ ใส่ข้างนอกไม่ทันมาสายก็เลยเข้ามาในวัดอามาใส่ในวัดใส่เสร็จยังคงกลับก็เขยิบเข้ามาใกล้อีกหน่อยแล้วแต่จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะอัตมาอย่างเนี้ย น, นึกถึงตัวเองเนียเออเห็นชัดเลยเออจริงเราก็อย่างกันจริงๆอะ่ะเสร็จพอนะหลังเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มศึกษาเริ่มรู้เรื่องอะไรมากขึ้นมากขึ้นเออคราวนีช้ชักจะอยากอยู่วัด เพิ่มเวลานานนานขึ้นหน่อยอ่าเริ่มจะนั่งอยู่ฟังธรรมที่เป็นยังไงบ้าง น, นี่เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆข ย, ย, ย, ย, ยับจนมาหลังนะคุณไปดูเถบบางคนเนี่ยใส่บาเสร็จฟังธรรมเสรกหลับอีกเหมือนกันหลับไม่ไม่ต้องรออะไรต่ออีกแล้วแต่พอคุณเริ่มเชื่อมั่นมากกว่านี้คุณจะต้องแกะดูเลยว่าคราวนี้นะมันเริ่มมีความ สุขหรือว่ามีความยินดีมีความพอใจว่าเออแหมมันสงบมันล่มเย็นมันมีความสุขกูจะสัมผัสพวกนี้ได้มากขึ้นพอ ค, คุณสัมผัสพวกนี้ได้มากขึ้นคุณรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่นานๆขึ้นออบางทีเนี่ยออไม่ใช่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำแล้วบางคนเนี่ยบางคนก้มหน้าก้มตาทํำเสร็จกลับใช่ไหมคราวนี้รู้สึกเออบางทีอยากจะพูดคุยกับกับคนในวัดหรือบางทีก็ อยากจะสนทนากับสมณะบ้างซิกมาบ้างอะไรเงี้ยคือมันเริ่มมีใจพวกนี้มากคือ น, นี่แหละคือเริ่มนั่งใกล้นะนี่เป็นตัวที่สามเสร็จแล้วตัวที่สี่นั่งใกล้เฉยๆไม่พอนะพระเจ้าท่านใช้ว่าย่อมตั้งใจฟังนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะคำว่าตั้งใจฟังนี่ ความหมายมันเยอะเพราะบางคนมาฟังทำจริงามาฟังเขาพูดกันนะ่ะจริงหรือบางทีคุยด้วยกันอย่างเงี้ยจริงแต่ไม่ใช่คุณตั้งใจฟังคุณตั้งใจมาเถียง <c ười> หรือตั้งใจมาทะเลาะด้วยคือ <c ười> ไม่ใช่ตั้งใจฟังคาว่าตั้งใจฟังหมายถึงว่าคุณฟังแล้วคุณก็เอาคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมาคิดมาพิจารณาตามที่ผู้พูดนั้นนะ่ะพูดให้เราฟัง แล้วให้เราเนี่ยเข้าใจพยายามทําความเข้าใจให้ได้อย่างที่ผู้พูดเขาเนี่ยต้องการให้เราเข้าใจยังไงเราตั้งใจฟังเพื่อที่จะเข้าใจให้ได้ว่าอ๋อที่ท่านพูดหรือว่าท่านสอนหรือเราไปคุยกับญาติธรรมคนไหนเนี่ยแล้วอ๋อเขาต้องการให้เราเข้าใจเรื่องของธรรมะหรือว่าเรื่องของความดีเรื่องของกิเลสอะไรนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่บอกแล้วบางคนเนี่ยนั่งฟังธรรมไปจริงนะป๋าก็ไม่พูดหรอก แต่ใจมันเถียงอยู่ใจเถียงอยู่บางคนเนี่ยเพราะนั้นอย่างนี้ระวังเขาเรียกว่าเพลงโทษฟังธรรมทั้งฟังธรรมไปเพลงโทษไปไอ้อย่างนี้ไม่มีทางเลยแล้วอย่างนี้ก็แสดงเห็นถึงศรัทธาไม่มากพอจ้ะเพราะถ้าศรัทธาพอเนี่ยนะเวลาคุณมาเข้าใกล้คุณจะตั้งใจฟังแล้วการตั้งใจฟังเนี่ยฟังเพื่อเพื่อเอาประโยชน์จริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะมาเอาชนะหรือว่า ฟังไปแล้วเราก็คิดโต้ตา้านค้านแย่งอะไรไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ไม่มีไม่มีทางสําเร็จนะล้มเหลวแน่เพราะะตัวที่สี 4, ่ตัวที่สี่ใช่ไหมเนี่ยอตัวที่สี่เนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องตั้งใจเลยตั้งใจยี่อยู่ในอิทธิบาทตัวที่เอะไระจิตตะเพราะจะสําเร็จได้มช่ไอิทธิบาทสีเนี่ยเป็นตัวสร้างความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะนั้นจะต้องมีความตั้งใจอันนี้อยู่ด้วยเพราะเราจะพูดคุยกับใครเราไปที่ไหนก็ตามคุณต้องมีความตั้งใจในทางที่ดีตั้งใจที่เป็นกุศลตั้งใจด้วยความปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นนมากขึ้นกว่าที่เรารู้อยู่หรือที่เรามีอยู่นะอันนี้เป็นความตั้งใจอ่าตัวที่ห้า นะพอตั้งใจเสร็จท่านบอกว่าแล้วย่อมฟังธรรมถ้าคุณไม่ตั้งใจเนี่ยจริงๆเราบอกว่าเรามาฟังธรรมใช่ัหมจริงๆแล้วเราบอกว่าเรามาฟังธรรมแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยคุณฟังจริงรึเปล่าคุณไม่ได้ฟังธรรมนะภาษานตมันบอกว่าเรามาฟังธรรมแต่ถ้าอย่างที่ละกี้ อ, อาจจะมาบอกคุณไม่มีความตั้งใจจริงเนี่ยคุณฟังคุณคิดคุณเถียงคุณอะไรต่ออะไร ไม่ได้ฟังธรรมเพราะถ้าฟังธรรมแล้วคุณจะได้ธรรมได้ธรรมะเนี่ยคุณฟังธรรมะคุณจะต้องได้ธรรมะถ้าคุณฟังธรรมะแล้วคุณไม่ได้ธรรมะคุณได้การโต้แยง้งคุณได้เถียงคุณได้อู้โมเออเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างงี้นะอา้าวถ้าอย่างนี้คุณไม่ได้ธรรมะ